ที่เราเรียก อ, อกหากรักขายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเสียแทงใจคนเราทุกคนแหละเป็นทุกคนแหละไม่มครเคยเลี่ยงพ้นแต่มันจะเป็นแค่ระยะแรกๆมันเป็นระยะแรกคือใหม่ๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเนีเราต้องทําใจยอมรับมันนะใหม่ๆจะเป็นงนี้แล้วต่อไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะหายไปเองมันจะน้อยลงไปเองข้อสําคัญคืออย่าไปนึกถึงเรื่องอดีตการจะไม่นึกถึงเรื่องอดีตเนี่ยมันเป็นคําพูด แต่การอยู่กับงานปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพราะเมื่อตอนที่เขาลักอยู่กับสาวเขาก็อยู่กับงานปัจจุบันอยู่แล้วเมื่อเวลาไม่รักมีคือแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับงานปัจจุบันพยายามตั้งใจทำงานในปัจจุบันซะแล้วเรื่องของอดีตต่างๆเนี่ยมันก็จะลบเลือนไปเองนะที่จะที่ยานนั่นคือการที่เรามี ม, มีการภาวนาฝารู้จิตบ่อยๆเนี่ย มันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันจบเร็วเพียงแต่ว่าอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธคือยาย่าไปยายาไปไม่ให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นให้มันเกิดเถอะมันเกิดทีไรเราก็รู้ให้ทันเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ให้ทันอันนี้ก็ใช้ได้สมอย่างนะอย่างแรกคือใหม่ๆก็เป็นอย่งนี่แหละต่อไปมันก็จะค่อยๆจางคลายแล้วก็อยู่กับปัจจุบันกับการทํางานเนี่ยไม่ใช่เป็นการหนีอารมณ์อันที่สามันคือไม่ปฏิเสธคือไม่ ไม่ผลักสายอารมณ์ที่มันปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเลยนักภาวนาต้องปล่อยให้อารมณ์มันเกิด <c oughs> แล้วเราก็มีสติดูดูเฉยเฉยอย่าดูเพื่อให้มันหายไป <c oughs> ดูก็คือดูเฉยเฉยดูชื้อชื่อนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยสามอย่างเนี้ยเราจะได้ทั้งการภาวนาด้วยแล้วเราแล้วเราจะได้แก้ปัญหาตัวเองด้วยสมอย่างครับนี่ว่าคนที่เขาไม่มีการภาวนาเขาจะหาทางออกอย่างอื่น ไปกินเหล้าไปเหาไทยไปอะไรนะนะไปเที่ยวไปอะไรในที่ไม่ต้องเลย อ, อยู่กับการทำงานเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยถือว่าเราถือว่าเป็นการที่โชคดีสวัสดี